เราก็นั่งสร้างความรู้สึกตัวกันความรู้สึกตัวก็คือตัวเสินนั่นแหละความรู้สึกตัวก็คือตัวสมาธินั่นแหละความรู้สึกตัวก็คือตัวปัญญานั่นแหละมันก็เป็นการรวมลงอยู่ในความรู้สึกตัวก็เรียกว่าจารยสติจารยสติมันก็มีเสินจารยสติก็มีสมาธิ เจริญสติมก็มีปัญญาเมื่อกี้เราก็สวดกันสติกับสมาธิระใต้สุดสมาธิกลายเป็นสติที่เป็นความบริสุทธิ์เป็นองค์ฌานที่สูงที่สุดมีสติแล้วแล้วอยู่มีการวางวางเฉยเวขาอันนี้มันน่าสนใจทีเดียว มันเป็นการปล่อยการวางที่มันมันไม่ใช่ความคิดนะความทุกข์มันเกิดขึ้นมานะเคล็ดลับของความไม่ทุกข์กัหนึ่งก็คือถ้าคิดถูกก็ไม่ทุกข์และอันดับแรกนะคิดได้ถูกมันไม่ทุกขนะ์มองแตกแ ง, ง่ที่มันไม่ทุกข์มก็ไม่ทุกข์เรามองแต่แ ง, ง่ดีทั้งหลาย แต่เท็กันก็คือมองเห็นเป็นความจริงนี้มันสำคัญเนี่ยตัวรู้สึกมีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นตากระทบโลกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสมนันอวตารจิตเราจะคิดนึกปรุงแต่งเป็นอวตารของจิตเลยตรงๆจิตที่ต้องคิดนะ แต่บก็คิดแบบนะไม่ค่อยมีระเบียบนะถ้าหลงเผอเข้าไปก็กลายเป็นเรื่องของความทุกขนะ์ถ้ามีสติรู้อยู่เป็นความฟุ้งร้านลำคาญใจอนะุทันจากกุจกนะนั่นระนาของศีลนะกำจัดกิเลสอย่างหยาบกนะ็คือระนาของความโลภความโกรธความหลงหยาบนะเป็นเหตุ ทำให้ขยายผลเป็นอาการต่างๆอีกมากมายเหลือเกินอาจจะเรียกว่ากังวลอจจะเรียกว่าดุดเวทหรือว่าอาการฟุ้งซ่านเลยน้อยทิมเกิดขึ้นมาจากการคิดนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเ่เราไปความรู้สึกตัวเรววากนะ็เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันกันลนะเวลาเราคิดก็ว่าไวไปเราก็รู้เท่ารู้ทัน สติมันก็ทำหน้าที่ของมันตามกฎของธรรมชาติเลยธรรมชาติของสติก็คือมีหน้าที่รึกรู้มนมีกิเลสอย่างหยาบมันเกิดขึ้นมาก็ใช้ศีลความเป็นปกตินั่นแหละเป็นตัวกาจัดจิตปกตกิจิตไม่ปกติมันก็จะมีแล้วนะของ การนรกรู้เป็นกรอบเป็นกรอบอยู่แล้วก็เกิดการตั้งมั่นเรียวสมาธิอันนี้จะกำจัดกิเลสอย่างกลางลกลุ่มนิวรธรรมเวลาง่วงก็คือเจนเป็นอากุศลเป็นปตินปิปกินกะอากุศลเจตสิกเล็กๆน้อยแต่ว่ามันมีพลังมีอำนาจมันจะครอบงำ ถ้าเราตั้งมั่นกับความรู้สึกตัวจิตเป็นสมาธิมันก็จะมีกรอบมีกรอบป้องกันมีกรอบป้องกันมีระนาดของการกดกันข่มแมีอาการนะที่รวราโน้มนยธรรมมันพาทําตามอํานาจของอกุศลธรรมมันก็จะเป็นความไม่ฉลาดนะมีอาการมึนงงมีอาการงก ง, ง่วง มีการเบื่อมีการซึมมีการเหงามีความว้าเวมีการดิมนใจน้อยขีน้อยใจต่างๆอันนี้เราใช้กำลังของสมาธินที่มันเป็นเกราะขุ้มครองป้องกันกลียดอย่างละเอียดคือความสุขที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆเกิดความพอใจ เป็นความสุขอันนี้นะว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ผ่านแล้วก็แตกฉานขึ้นมาไอ้ตอนนี้มันเป็นรลรื่องของเราต้องมีเกณฑชีวิตเป็นตัวปัญญาตัวปัญญ า, าเป็นตัวแกนชีวิตจะเกิดการเป็นกลางความเป็นกลางกลมกลืนเกี่ยวข้องถูกต้องนะจากหลงเปลี่ยนมาเป็นรู้ไนนะ รู้มัรู้ยมก็หลงไปก็รู้เท่ารู้ทายส่วนมันหลงไปไหนก็นยิ่งตามทันใหญ่มันจะยาบขึ้นยาบขึ้นหยาบขึ้นยาบขึ้นจนท้ายส่วนก็เป็นความรู้สึกตัวจากหยาบจากกลางไปหาละเอียดก็ใช้กําลังตั้งแต่เริ่มต้นฝึกมีธรรมสมควรแกร่การวิบัติมีเครื่องมือมก็ใช้เครื่องมือเหมือนเราทํากับข้าวมีครอ ก, กมีสากมี ตะหลือมีถาดมีทัพีมีห ม, ม้อนะมีเตามีเฟืนมีไฟต่างๆมีแก๊สมีเครื่องจุดแก๊สเป็นเครื่องมือใช้ระ้วกวางใช้ระ้วกวางใช้ระ้ววางนี่เราก็คือคุณธรรมเป็นคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างที่เรามาเรียนรู้ตัวเรามันก็ต้องเห็นตัวเรา ม, มาศึกษามันก็จะต้องเกิดความรู้กันมาแตกฉานขึ้นมา เป็นไตรสิกขาแล้วนะของศินสมาธิปัญญามันก็รวมลงอยู่ในความรู้สึกตัวรู้เนะื้อรู้ตัวเราก็เรียนตามพ่อคอตามครูกันแต่ว่าอย่าอย่าเชื่ออย่างเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเขียนท่านได้พูดเอาไว้นะก็เราอย่าเชื่อกันโดยคําพูดง่ายๆแต่ว่าให้นะลงมูชาธรรมลงไปาภาคปฏิบัติการภาวนาภาวะน า, าะน า, น า, นา ที่เราจะได้เห็นเป็นลักษณะของกรรมฐานมันทําให้เกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาฐานกายฐานเวนนาฐานจิตฐานธรรมได้เกิดการขนส่งและการอย่างรู้ขึ้นมาย่างรู้เรื่องเรารู้ตัวรู้ตนนี่แหะจะเห็นตัวเห็นตนรู้จักใช้มันต่อไปมีกายใช้ากายมีป่าจาใช่วาจามีจิตใจใช้จิตใจ ร่างกายของเราหรัวเจาะรถเท้านะเราก็สั่งปกติมันเคยปุดลุกพุ่ดนั่งเราก็สั่งให้มันลุกให้มันนั่งมีสติกำกับไว้ัร้องขอหนึ่งข้างสองข้างสามัาง้งเราถึงปรับเปลี่ยนให้เขามีสติเคยเรียกว่าทำตามใจอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในกรอบใ น, ใ, นในเกาะในกฎในเกณฑ์ในกติกาในลักษณะของธรรมะในลักษณะของวินยัย จนกระทั่งมันเหมือนกับว่ามันมีสติคอเคลียคอเคลียรู้สึกตัวได้เชื่อมโยงต่อเนื่องสัมผัสสัมพันธ์สมันก็กลายเป็นลรื่องของการทําความเพียนแล้วเกิดความรู้ถูกแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องมันจะมีผลเหมือนกับไม้สีไฟสองอันเราสีสีสีสีถูอย่างถูกหลักไม่แรงไปไม่เบาไปพอดีพอดีมันก็อุ่นอุ่นอุ่นอุ่นขึ้นสะสมความร้อนจนกระทั่งมันพอดีน มีสำลีนี่ยแย่ลงไปใส่ลงไปมันร้อนข้าวร้อนข้าวมันก็เริ่มไหมลมันก็ไหมคุยไม่ไปไหมไปมันก็ลุกขึ้นมาเราไปต่อใช้จุดเตาจุดฟืนแบบสมัยโบราณนีที่พวกนี้เคยเล่นมาเนีเคยทำมามันก็มีการวิธีของมันเหมือนกันสียนไฟติดอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าหยุดสะก่อนมันก็ไม่ได้ไฟแล้วเริ่มต้นใหม่ฉันใดก็ดีเวลาฝึกสติก็เป็นอย่างนั้น เวลาเราฝึกสติเราก็จะเห็นว่าเออบางทีมันก็มีความเบื่อเก้อเก้อมาเบื่อเบื่อมันก็ไม่เคยเบื่ออย่างที่เราฝึกสติหรอกก็คือที่เคยพูดว่าเวลาเราดูหนังสือเล่มหนึ่งเราเสี่ยงโชคเปิดมาเจอหน้าไหนก็จะเรียนหน้านั้นไม่รู้ว่าเปิดจะเจอบทที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่เวลาปฏิบัติเหมือนก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะทำมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แต่มันจะเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นกับเรามีนะความรู้สึกตัวเราสังเกตได้นะเราก็จะผ่านทันทีกลับมารู้สึกตัวใหม่ได้ทันทีสร้างความเชื่อมโยงต่อเนื่องที่ฐานกายนะเกินไหวส4บสีจังหวะหรือว่าเดินจงกรมได้อย่างต่อเนื่องหลงปั๊บลูปปุ๊บหลงปับลูปปุ๊บคิดปับลูปปุ๊บคิดปับลูปปุ๊ บ, บ, บอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะสนุกเพะเราจะโตอตอบทักท้วงกับอาการต่างๆ แบบรู้เท่ารู้ทันแบบลินต่อลินฟันต่อฟันมัดต่อมัดแล้วชกเกลี้ยงโดนจุดสําคัญไปเลยนะแต่ถ้าไม่ชกจะยับยับยับยับยับยั บ, ย บ, ยบต่อไปฟุตเวิร์กมีสแตนบายไวท้ที่ความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนการไหวของกายเป็นหลักไปเลยนานๆปอมาเทงกับซัดเทงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ามันมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพร้อมอยู่แล้วเป็นเครื่องมือทีเดียว เหมือนกับเข้าครัวที่เมื่อกี้เปรียบเทียบยกตัวอย่างนะเราจะมีความอดทนถ้าจะคิดมันจะคิดแบบมีคติมันไม่ใช่คิดแบบอาคติมันมีสติมันก็คิดแบบมีตมม ค, บบค ต, ต, คบบติเป็นคติที่ดีเป็นสุขติภูมิอย่างงี้นะคิดเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลบางทีไม่ปฏิบัติเมื่ออารมณ์บุญไม่เกิดก็ไม่คิดอะไรแต่พอเดินไปเดินมาเดินมาเดินไ ป, น ม, น ม, นไปมันสานึกบาปเพื่อนไหม เคยทำไม่ดีไว้มันก็เค็ดหลามก็เค็ดนะเนี่มันก็ไม่อยากทำมันจะทำดีกรบเงมันก็คิดขึ้นมาเลยเรื่องหน้าเรื่องนี้เรื่องนู้นทำให้แม่เสียใจอยากทำดีกับแม่ทำให้พ่อเสียใจอยากทำดีกับพ่อเคยไม่ตั้งใจเรียนก็อยากยาเรียนใหม่เคยทำอะไรไว้มันก็อยากจะทำลบลอยนีมันมีใครอยากชั่วตลอดชีวิตหรอก มันอยากจะทําดีนั้นนะเพราะนั้นลอยเดีก็จะโผล่มากรอบทันทีเลยเรียกว่าลมบุญเห็นะ <c oughs> อะไรไม่ดีมันก็อยากจะทำแบบนั้ น, ะนะ <c oughs> เดินไปเดินมามันเห็นก็ทิ้งขยะก็อยากจะเก็บนะมันเห็นคุณของธรรมชาตินะนะระหว่างกล่องนมเนี่ยอยู่กับใบไม้อยู่ในป่ากล่องนมคือขยะแต่ใบไม้มันไปอยู่ในกล่องนมกล่องนมเยอะแยะไปหมดไปอยู่ในบ้านในเรือในน่ยใบไม้มันคือขยะ ตอ น, นี้เราอยู่ป่าเรากเห็นคุณของป่านะถ้าทิ้งกล่องนมไปเราก็มีความสึขเดินเก็บเลยนะบางทีมันก็ทําอะไรอีกมากมายแล้วเกินลนะอันนี้คืออารมณ์บุญนะเวลาคิดเกิดก็มาขนาฏิบัติแล้วเอาวางไว้ก่อนเขีย่ยๆแวงแง่ก่อนแล้วกลับมารู้สึกเดินกระทบสัมผัสรู้สึกตัวเดินกระทบสัมผัสรู้สึกตัวนะอันนี้เราเป็นการเรียวกว่า เชิวนแล้วก็ชี้นากันเผยระแสของการปฏิบัติมันได้ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องจนทางสัมผัสผลแล้วก็เอาไปใช้กันในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมพ่อแม่รู้ก็บอกกับลูกกับหลานเพื่อนรู้ก็กลับไปบอกกับเพื่อนลูกรู้ไปบอกกับพ่อกับแม่พากันชวนกันให้กลับมามีสติมีปัญญา สติสัมปัญญาเป็นสติพฐานแบบรู้สึกตัวตามที่ศาสนาพุทธองค์มสมเด็จสมมาฯเจ้าไดนะ้บอกพวกเราไว้อย่างนอันนี้มันจะกอ่อประโยชน์จริงๆเพราะนั้นเราก็ฝึกหัดกันบางทีความเชื่อมันก็พาไปสู่ความโง่หลงงมไงายได้นะอย่างเช่นนะมีครูคนหนึ่งนะในสมัย่อการนะเป็นครูของอกุลีมาน ออกลีมานก็เรียนเก่งกันนะเรียนเก่งเป็นคนดีคนนึงนะชื่อไอหิงส ก, กัดทีนี้ก็ไปอยู่กับเรียนเก่งกูมูลเลยแหละเพื่อนๆกับพานิชชาอะไรกันเนะี่ยแล้วก็เมียของครูก็รักด้วยนะก็ยามดูแลเจ็บไข้ไปสบายเช็ดเนื้อเช็ดตัวลูกศิษย์ก็พากับไวนินทาจับกลุ่มมองไม่ได้สับฟังไม่ได้สับจับมากระเดียด เสร็จแล้วก็เอาไปฟ้องครูบาอาจารย์กันครูบาอาจารย์ก็เออตรงใสมันจริงแท้ๆนะเรก็มาเจอพอดีเลยเห็นมันกำลังหนุนตักเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันเนก็เลยขับไล่ใสห้ส่งบวกระโหนหลายคนนะทํานายไทยทักต่อไปเด็กคนนี้จะเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะเป็นจอมจรนผู้ยิ่งใหญ่มากนะก็พูดกล่าวไว้ แช่งชักหักระดูกครูบาอาจารย์หงค์กริมันก็เลยประชดประชันซะเลยนะครับเนี่ยมาเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนช่วนะแต่ว่าพยายามรักษาธรรมชาติต่า ง, งๆศัลา์ลาสิ่งกต ะ, ะตายงูเหี้ยเกี่ยวค อ, อไม่ให้ในายพานตามล่านะอยู่ไม่ได้ตรงนี้เข้าป่าไปเลยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกาลังเกียดว่างั้นอันนี้ปนีไปอยู่ป่านะ ก็มีคนมาโกงลังแกสัตว์อ่เี้นะนายพานจับงูคาตายเลยคล้ายๆเกียดคนอยู่แล้วหลายคนท้ายสุดก็ฆ่าคนที่คล้ายๆกับปรารถนาที่เอาชีวิตหรือว่าประสงค์ร้ายเมื่อเห็นว่าเออมาถึงมีภายใกล้ตัวป้องกันเนมที่ก็เรียกว่าตายกันทั้งนั้นะ พระองค์ุริบาลก็มีปัญญาไงนะท้ายสุดนะก็โดนพระเจ้าแผ่นดินนะผู้ครองเมืองสั่งให้ยกทัพไปเลยทนะหารหารทั้งหลายก็ยกทัพกันไปจับคนคนเดียวนะนะก็ยกกันไปเป็นกองทัพเะแล้วก็จับไม่ได้ทั้งหา่านงะโดนฆ่าตายละคนสองคนอยนะ่างเงี้ยท้ายสุดแม่น ก็ไปห้ามเพราะว่าครั้งนี้ในกองทัพใหญ่มากคิดว่าลูกจะไม่รอดก็จำลูกของตัวเองได้อยู่แต่ลูกนี่จำแม่ไม่ได้อย่างนั้นท้ายสุดถือมีดดาบไล่ฟันแม่ตัวเองแม่ตัวเอ ง, ว, เอ ง, ว, เองวิ่งวิ่งไปด้วยความตกอกตกใจขณะนั้นองคุริมานก็เห็นองค์สมเด็จสมาเจ้าเข้าฝังพอวังปั๊บก็พูด หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะหลังจากเดินไล่กันทักพักนึหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนวงขลิมานก็ร้องให้เจ้าหยุดวิชาวยกบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านายังไม่หยุดคนมีปัญญาฟังก็บเบกแล้วก็วางดาบกราบพ้ะองคคนนี้เราคงจะเป็นสนวรรค์โคดมที่กลำลังลือกันวันนี้มาโปรดเราถึง ที่ในป่าที่นี่ะฉะนั้นก็เห็นว่าจะเป็นบุญกุศลของเราแล้วในครั้งนี้ท้ายสุดก็บรรลุเป็นพระหลานแต่หลังจากนั้นก็ยังโดนวิบากกรรมที่ตอนเคยทํำมาไว้นะก็ยังกระหน่ำกลับมาอีกโดนก้อนหินปาโดนเขาเรียกว่าหลังเกียดอย่างมากเพราเป็นพระหลานแล้วนะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่ ขณะที่เจอเนี่ยกลัวมากเลยนะท้องแก่ใกล้คอดองคุริมานก็เลยบอกคาถานะไม่ต้องกลัวนะก็ขอให้น้องหญิงก็คลอดโดยสะดวกนะนะไม่มีภัยไม่มีภัยขอให้คลอดลูกอย่างปลอดภัพยพรกากลูกก็คลอดมาทันทีนะจําเป็นคาถาคลอดลูกนะจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีอยู่เป็นคาถาของพระองค์ุริมนันอย่างนี้นนะ นะอันเนี้ยเราก็จะได้เห็นนละลักษณะของถ้าเราเชื่อครูมากไปมันก็ไม่ถูกเพรก็มไม่ต้องเชื่อก็จึงให้เราปฏิบัติกันเต็มที่ไปเลยกลัวที่ดีดที่สุดคือตัวเองสอนตัวเองซะอยากเป็นยังไงก็ทําเอานะสอนตัวเองเอาเราจะได้เห็นแล้วนะบางทีเดินไปเดินมาความคิดทะเลาะกันน่ะไม่ดีนะอันนี้ยไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น ทีหลังอย่าทํานะอย่าทําอีกมันทะเลาะกันเจอไหมบางทีมีจิตสํานึกเกิดขึ้นมาคิดเรื่องหน้าที่การงานต่างๆหรือบางทีงานบางเรื่องบางราวปัญหาบางอย่างมันคิดจนแก้ไม่ตกแต่พอมาเดินจงกรมมันคิดออกขึ้นมาเนี่ยมันขนาดนั้นเราก็ยังไม่ให้ฆ่ามันนะถึงขนาดนั้นก็เป็นเพียงแค่มายาภาพเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นเนี่ยเรากลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวนะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมา นี่เวลาทำเกิดขึ้นมาแลตั้งใจใส่ใจลงไปพอมันเกิดสมาธิกันมาเดี๋ยวไปตีมันเกิดขึ้นมามีความสงบแล้วก็ความคิดที่คิดไร้ไรทั้งหลายนะที่เป็นอกุศลเป็นความหนักเมันก็จะหายไปเองความคิดที่เป็นบาปจะมีความคิดที่เป็นบุญจะเกิดขึ้นมาเราก็ให้สังเกตมันก็คือความคิดทั้งคู่เราก็ไม่ให้ค่ามันถ้าจะมีค่าก็ให้ค่ามันได้คือศูนย์จุดศูย์ นะแล้วก็มีความเป็นปกติไปเรื่อยๆเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับวางหน้าวางตาวางไม้วางมือวางแข้งวางขานะวางก้าวแต่ละ9้าให้พอดีนะแรงเหวี่ยงแต่ละ9้าวเดินแล้วก็พุวพ้วพุวพ้วพุ้วแต่พอดีนะพอเดินไปเสร็จนะเดินกลับมาอย่างน้อยๆก็ได้สติว่าเจตนากลับตัวนะหนึ่งกลางแล้วแล้วก็เซตอัพใหม่ปรับใหม่ ไอ้ที่ทาไปแล้วก็แล้วไปแล้วเราก็อประจวบขนาดาษไแล้วก็เดินเดินต่หลงคิดปับ๊บบางทีเราก็แกล้งมันกระดัหยุดหยุดกึกเลยเออเรารู้ทันแล้วเนี่ยพอความคิดมันดับไปอาจเดินต่อเก็ต้องใช้เทคนิคบางทีก็มองไกลๆอย่างเงี้ยนะพอมองใกล้ๆมันก็เก็บกดเงี้ยนะมันกดดันพอสมควรเอาลมมันเข้าในเนคราวนี้ผมใช้เวลานานๆมันก็ทวีคูณทวีคูณทวีคูณทวีคูณเหมือนกับนะ วัดป่าสุกโตเนี่ยมันเป็นภูเขาบนภูเขาเรื่องก็เป็นหุบเขาบนภูเขาด้วยอย่างนี้นะทีนี้มันก็มีที่สูงกว่าแล้วก็มีที่ต่ำกว่าอย่างนี้นะคราวนี้มันทํารั้วรอบเนี่ยรั้วก็สนะี่พันหกสิบเมตรสี่กิโลเศษเศษแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นปลำธารก็ไปทําอนะิดบล็อกตันๆเอาไว้คราวนี้ปีที่แล้วน้ำมันมาฝนตกหนักมากนะ เสร็จแล้วน้ำ ม, มันก็อันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นรั่วกับพังไปหกสิบสี่ช่องเลยเงี้ยเวลาปฏิบัติมันอย่างเงี้ยเวลามันเก็บกดเก็บกดเก็บกดเก็บกดมากมาเดี๋ยวก็ระเบิดนะเหมือนก็เราเวลานับกระทำครั้งที่หนึ่งนะกระทำครั้งที่สองนะทําเรากัา ง, านะางที่สามครันะ้งที่สเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปี๊ดขึ้นมาแล้วก็บิ่มระเบิดทันทีเห <c oughs> มือนกับลูกบอลเวลากดลงน้ําจมลงจมลงชมลง ปปั๊บมันเด้งดึงขึ้นมาอย่างนี้พอเวลาปฏิบัติมันเก็บกดนะเพลงเข้าในเพ่งเข้าในมันก็มีอาการแน่นนะมีการเมินมีการหนักเนี่ยนะนะก็ลองสังเกตดูมองไกลๆผ่อนคลายออกไประบายอารมณ์ออกไปทางตาบ้างนะทางหูบ้างอย่างนี้นะนะรเริ่เปรียบเทียบอย่างเวลาขึ้นเครื่องบินนะถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินอาจจะสังเกตก่อนขึ้นนะนะก็จะมีการนะ เปลี่ยนอารมณ์เราเวลาจะลงก็เหมือนกันก็จะเปลี่ยนอารมณ์เราให้สังเกตคือเขาจะเปิดเพลงเบาๆกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งแพลงบรรเลงเราก็จะมาสนใจใส่ใจกับเสียงเพลงเพราะเจยวลืมไปเลยทิมตกหลุมอากาศเวลามันขึ้นมาลืมไปเลยนั่นเหมือนกันเวลามันเข้าในแน่นๆก็คลายออกมาตาดู ใบไม้ดูช่องว่างดูผีเสื้อดูสัตว์สัลาสิ่งดูใบไม้เวลาปิวล่วงตามลมช่วงนี้ดูดูใบไม้ล่วงแล้ววัดเราใบไม้ล่วงบางทีมันก็อแก้อารมณ์เราได้พอรู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วเออปรับปรับขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเอาเข้าบ้างเอาออกบ้างเอาออกบ้างเอาเข้าบ้างพอออกมามันเพลินก็เผลอคิดฟุ้งไป อาการอย่างนี้เราอย่างนี้ลักษณะเราปรับอยู่ระยะแบบนี้น้ําหนักแบบนี้มันมีปฏิกิริยาอาการที่มันเป็นผลข้างเคียงแบบนี้เราก็อ่านด้วยอย่างนี้หนะน่น่มันก็จึงไปแล้วนะครับปรับสมดุลอยู่หนึ่งวันสองวั น, ส, นสามวัแต่ใครเหมือนกับว่าฝึกจนชํานาญก็เห็นว่าแป๊บเดียวนั้นแหละมันจะเข้าร่องของความเป็นปกตินะมันก็จะทําไปได้เรื่อยๆ จิตใจเกิดความปลาโมดขึ้นมานะแต่ไม่นจะเป็นความเพลิดเพลินนะเป็นความรื่นเริงกับการปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่เพลิดเพลินในอารมณ์ที่เราปฏิบัตินะแต่เราปฏิบัติแล้าทําได้เรื่อยๆนะตัวนี้เดินรู้สึกรู้สึกรู้สึกหรือว่าพิกมือสิบสีได้เรื่อยๆนะมันจะมีอาการเริ่มต้นที่จะเหมือนกับร่างกายของเรามันนั่งนานๆแล้วก็มีอาการ เก่ๆเกงๆเงราพอเรารู้ปั๊บมันจะผ่อนคลายออกทันทีเลยพอเริ่มต้นเก่ๆเกงๆทําท่าอยากเรียมันก็คลายออกทันทีตรงนั้นน่ะมันจะปฏิบัติแบบมีความสุขเรียกว่าสุขาวิปัสสโกทําอย่างง่ายๆให้ผลเรื่อยๆความคิดเกิดขึ้นมันจะถูกรู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันปุ๊บปุ๊บป๊ไปอย่างเงี้ยนะตามกําลังของสติแต่ละขณะมีสติดูกาย เราก็จะได้เห็นจิตมาสอนจิตก็คือความคิดสองตัวทะเลาะกันพอเรามีสติดูจิตจิตทั้งสองตัวหายไปเลยการนี้ความคิดไม่มีมันมีแต่ตัวสติแล้วจนสติรู้สติความเป็นปกติมันก็เด่นก็จะมีการปล่อยการวางอารมณ์เรียกว่าสติปัฏฐานมันเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบเลยคือมันรู้ล้ำกระปัดรู้ล้ำก็ปล่อยรู้ล้ำกระละรู้ล้ำกระวาง ทุกครั้งที่รู้ไปมันก็วางไปนะเนี่ยนะอันนี้เราเปการเดินทางจริงๆไม่ได้แวะไหนเลยลบก็ไม่แวะบ ว, ก, วะกก็ไม่แวะสุขก็ไม่แวะทุกก็ไม่แวะเปรนก็ไม่แวะเบื่อก็ไม่แวะมันมีแต่รู้รู้รู้ผ่านไปอย่างเดียวเลนะตรงนี้แหละมันจะเป็นความลึกซึ้งนะแล้วก็เป็นศรัทธาสัมปยุตนะมันจะไม่เป็นศรัทธาวิปยุตวิปรโยชน์นะพอครูบาอาจารย์เปลี่ยนไปก็ เรากัศรัทธาตกปฏิบัติก็ไม่ได้พอเขาดีก็ปฏิบัติได้พอเขาไม่ดีก็ติดติดขัดขัดอันนั้นเป็นศรัทธาบุคคลเลี้ยวพระหิทธาทำตมที่เป็นภายนอกเป็นพวกเสนาวิชาคือต้องอาศัยเจ้านายสั่งต้องมีลักษะของบริวารลูกสมุนต่างๆของเราเป็นเพียงแค่การยามิตรกันก็คือเป็นเรื่องของความน่ารักน่าเคารพกันเคารพธรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ อดทนต่อกันมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อาภัยกันอดทนกันเรามีความซาบซึ่งลึกซึ้งต่อกันกินข้าวหมอเดียวกันใชจเส น, สนาสนวัตบาอารารลอันเดียวกันเราก็มีความลึกซึ้งซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเราท้ายสึดก็คือไม่พาไปทางที่เสื่อมเด็ดกาดอะไรที่เป็นความเสื่อมเราก็จะเปลี่ยนพีดให้มันถูขึ้นมาแะ้ว เปลนไม่รู้เองมันรู้ขึ้นมาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาอันเนี้ยมันก็จึงเป็นเรื่องของอีกหนึ่งวันจบลงไปแล้ววันนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วเราก็มารวมตัวกันทําบัตเจียนกันอีกสักพักหนึ่งเราได้ไม่ว่าพักกายพักใจนอนหลับพักผ่อนกันต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกหลายวันทีเดียวเป็นลรก่องของชีวิตชีบาของเราที่เราได้มาบําเพ็ญภาวนาแล้วว่าปฏิบัติธรรมประพฤติ ธ, ธรร ม, ธธรรมประพฤติพรหมจรรย์อะไรก็ตาม นะก็ขอให้เรามีลักษณะของธรร ม, มะนะที่เราฝึกหัดกันตามสมควรแก่การปฏิบัตนะิแล้วก็เป็นเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณต่รรณางๆที่มีในตัวเราเนมะื่จะเกิดกําลังใจขึ้นมาเรียกว่าพระกําลังของพระคือมีสติศีล ส, สมาธิปัญญาต่างๆเราเนีนะ่มีคุณธรรมต่างๆที่ทาให้เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะหายใจก็อิ่มหลวงพ่อเขียนนันบอกว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรกันมากหรอกพวกเรา ลมหายใจอย่างหนึ่งนะร่างกายเราจะได้มีชีวิตอยู่เรื่องจิตใจคือให้มีสติอีกอย่างนึ่งพอละสออย่างเนี่ยมีลมหายใจกับมีสติส่วนเรื่องสตางจะมีไม่มีนั่นอีกเรื่องนึงคนมีสติไม่มีสตางยังก็มีความสุขคนมีสตางไม่มีสติเดี๋ยวก็หมดตังละแล้วก็ท้ายสุดก็คืออาจจะทุกข์ด้วยละเคยเจอมาหลายคนยกตัวอย่างเช่นที่บุรีรัมย์เคยเจออยู่คน นะบ้านเฉพาะบ้านเนะ่เมื่อสักเจ็ดแปดปีที่แล้วนะสร้างอยู่ประมาณยี่สิบห้าล้านนะมีปั้มน้ำมันอยู่ในนั้นลูกสาวเป็นพยาบาลนะหัวหน้ า, าตึกอยู่ที่โรงพยาบาลใจภูมนะิเป็นเพื่อนกับโยมสนทีนะนะการ น, นี้เขาก็รับไปที่บ้านว่าแม่เนะี่ยตัวเหลืองหมดแล้วนะเหลืองแบบเหมือนทากอมินเลยทั้งตัวเลยเหลืองเจื้อยเลย ไปถึงปั๊บก็ในฐานะที่เป็นครูอนุบาลเป็นรองผ อ, งองเรียนอนุบาลของโคราชก็ถือตัวถือตนพอสมควรเห็นพระนี่ไม่ได้สนใจเลยนะเราก็คนอย่างนี้พูดไม่ฟังพูดไม่ได้นะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องนั่งเฉยๆนะานีนี้ก็เลยออกอุบายอย่างนี้ก็แล้วกันบอกใครยมลูกสาวที่ชื่อตุ่มว่าให้ไปเอา ล้วหนะ้ของสังฆทานมาถวายตอนนี้ก็แล้วกันที่เตรียมๆ ม, มาไว้พูดอะไรของพูดไม่ได้เพราะว่าเห็นพาก็นอนหันหลังให้ละก็เลยลักษณะว่าให้เอาของมาถวายซะจะได้กลับๆเราไปนั่งอย่างนั้นแกก็ทุกข์กันนะไอเราเองเราก็อึดอัดอย่างเงี้ยนะพอให้เอาของถวายปั๊บก็เลยให้พรแต่แทนที่จะให้พรเป็นภาษาบาลีก็แปลเป็นไทยให้ ห่วงน้ำที่เป็นย่อมยอมเต็มห่วงน้ําที่เต็มสมุด ย, ย่อมยัตถาบริวหาปลาบริเวณทีสากดิลังห่วงน้ําที่เต็มย่อมยอย่างสมุดสาขรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเ อ, อ, เอวะมเมวะตูเทนังเปตานังอุปกรารปฏิฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสําเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นก็ให้พรไปจนถึงสรรพปีตโยนะ ความใจลอยทั้งปวงชมบาราดไปสัพพลโคอคยนั้นตรโลกทั้งปวงของท่านจงหายนะประโยคพวกนี้ต้องให้แรงแรงแล้วก็ดังๆก่อนอย่างนั้นนะก็พูดให้จนกระทั่งจบน่นนะขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อเถินอย่างนี้เราก็ต้องพูดอย่างนั้นนะให้ใจเขาเป็นบุญก่อนถึงจะคุยกันรู้เรื่องไม่งั้นก็ยังไม่คุยยังพูดอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้นะฉันได้ก็ดีอารมณ์ปฏิบัติกฎเกณฑอย่างนั้นนะพอเราปฏิบัติธรรมนะ ต้องให้เข้าถึงอารมณ์บุญก่อนพอถึงอารมณ์บุญมันอิม่ม อ, อกอิ่มใจเกิดปิติขึ้นมาไงนะเกิดความสงบใจขึ้นมากันเนะี้ยอารมณ์พวกนี้นเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมาธินะคิดอย่างต่อเนือ่องคิดแบบเป็นความดีความงามพวกนี้ใช่หมดเลยเป็นสมถกรรมฐานพอเคลี้ยงจะเกิดอารมณ์ดีๆขึ้นมาะแล้วพออารมณ์ดีๆเกิดขึ้นมาหายง่วงปิดทิ้งเลยพอเป็นอารมณ์บุญอารมณ์ที่เป็นอกุศลหายจ้อยไปเลยนะ อีกอันก็คือพอจิตใจเข้มแข็งเกิดตบ่าเรียบร้อยแล้วนะเกิดความอดทนอดกันเกิดขันติละก่านความง่วงเป็นประจำจนกระทั่งมันที่สุดแล้วบางทีมันเดินแล้วก็เข่าอ่อนกาาการเล ย, เ, ลยนะเรียกว่าซดหัวเลือกเลยนะหรือบางทีก็เดินเดินเดินเดินเซพัดตกไปเลยเดินเลยทางเดินจงกรมอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอมันง่วงจนที่สุดแล้วเราไม่ทําตามนะพอวันหลังๆมันจะค่อยๆอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนตั ว, ตวลง พอมันทุกถึงที่สุดแล้วพอความทุกไม่ถึงก็ที่เราเคยทำมันก็เรียกว่าผ่านได้อนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรความเจ็บความปวดก็เหมือนกันพอมันเจ็บปวดถึงที่สุดแล้วเนี่ยท้ายสุดมันคือไม่ปวดนั่นแหละพอปวดไม่ถึงก็บทีเราเคยปวดมันก็เรียกว่าผ่านสบายเลยเพราะฉนั้นเวลาปริบธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็ให้มันสุดสุดสักนิดนึ่งแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็กําหนดสติแล้วก็เปลี่ยนเวลากําหนดสติเปลี่ยนจิตจะปกติอยู่ ก็ถือว่าขันติตาบามีอยู่แค่นั้นไม่เป็นไรแต่พอมันมีสติจริงๆนะแล้วก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาจริงมันเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเองะมันอยู่ภายใต้กดของพระไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะได้เห็นว่โอจริงๆมันก็ไม่เที่ยงท้ายสุดพอมันง่วงมันก็มีไม่ง่วงพอมันปวดก็มีไม่ปวดมันอยู่ด้านหลังนั่น่ะนะแต่ว่าอย่าอย่าทนจนเข็ดเท่านั้นเองถ้าทนไม่ไหวนี่ให้เปลี่ยนะ ตรงนี้แหละมันจะเป็นประสบการณ์หนึ่งวันสองวันสาวันและอีกหลายๆวันที่มันจะมีพัฒนาการให้เราได้เห็นมันผ่านอารมณ์ได้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนกลับมารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นไงเลยนะเพราะนั้นนะอะละเห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาก็ขอให้นะอํานาจของคุณพระสีลตัยหรือว่าอํานาจของสติสีนสมาธิปัญญานะก็พาเราพ้นทุกข์นะตามสมควรแก่การไิบัตนะดโดยทัวนาการทุกข์ตันทุกข์กนเตือ